บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยาแห่งธรรมะที่ได้กล่าวมาโดยลำดับตามที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรนั้นได้พูดถึงเรื่องขันธปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยกัน ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สรุปรวมเป็นชีวิตของบุคคลแต่ละคนและในขันทั้งห้านี้เองได้ทรงแสดงว่าเป็นที่เกิดขึ้นของความทุกข์ที่มีประการต่างๆซึ่งทรงจำแนกขอาไปเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงแรกเป็นความทุกข์โดยสภาพคือเกิดแก่ตายเป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหลก็สู่ความแก่และความตายจากช่วงเกิดถึงช่วงตายก็มีปัญหาสารพัดที่ต้องไปเชิญต้องประสบมีความสุขความทุกข์ปนครา ก, กันไป แต่ความทุกข์ที่ถือว่าสำคัญนั้นเรียกว่าอุปาทานขันคือเกิดขึ้นจากจิตที่ไปกำหนดยึดมายึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้าโดยหน้าของตัณหาว่าเป็นของเราลักษณะความคิดที่เป็นของเรานั้นผือสังเกตว่าจะมีการกำหนดอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือเป็น ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของเราความรู้สึกในสายนี้จะสร้างปัญหาความมิตรกงังวลความเดือดร้อนได้เกิดขึ้นทั้งในช่วงของการสแสวงหาช่วงในการครอบครองและช่วงที่สิ่งเหล่านั้นแตกทําลายไปอีกสายหนึ่งก็มองในแง่ของเราเหมือนกันแต่มองในรูปของศัตรูเรา มองในรูปของรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเรออาะต้น่ะสร้างปัญหาความรู้สึกในทางไม่สบายใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเช่นเดียวกันอย่ามึเตีเมื่อเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนกับรัย์ที่เราไม่ชอบแลาต้องอยู่ร่วมกับคนกับรัย์ที่เราไม่ชอบแต่จะเกิดเิ่นชมยินดีเมื่อสัตว์หรือคนที่เราไม่ชอบนั้น แตกทำลายไปเปลี่ยนแปลงไปมันเป้าประสงค์ในการสอนธรรมะระดับมหาสติปัฏฐานในสูตรพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นไว้ตั้งแต่ตอนต้นแห่งประสูติตว่าตรงการเกริจัดอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้และตมนัตคือความไม่พอใจหรือความเสียใจความคับแคลนใจ ในโลกต้องปวงจะได้เข้ามาโลกนั้นที่จริงแล้วทรงจบแนกไว้โดยนยัยาต่างๆเช่นว่าสังขารและโลกโลกคือสังขารทั้งหลายซึ่งเมื่อกราวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นนามมีใจครองก็มีไม่มีใจครองก็มี ยามใดที่ใจคนไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์โลกเหล่านั้นกับสังขารเหล่านั้นโดยความรู้สึกว่าเป็นของเราทั้งด้านบวกด้านลบคือด้านที่เป็นทางให้เกิดโลภะหรือทางให้เกิดโทสะก็ตามความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น และแม้แต่รู้สึกว่าสังขารเหล่านั้นเป็นเราหรือเราเป็นสังขารเหล่านั้นก็จะรู้สึกเดือดร้อนในการรักษาสถานะในการข่วยคว้าเพื่อได้สถานะที่สูงขึ้นในการที่จะต้องระมัดระวังการยื้อแย่งการต่อสู้เพื่อได้มาถึงตำแหน่งที่เราครอบครองกันท จาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยชาตินั้นเราจะพบว่าทุกยกุคทุกสมัยการต่อสูก้การยื้อแย่งการประหารประหาการนั้นด้วแล้วจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นของเรากับความรู้สึกว่าเป็นเราและความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ระดับความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนของเรานั้นมักจะขัดแย้งกันในระดับสูงเป็นระดับของเหตุ ผลของการใช้สติปัญญาที่มีความแตกต่างกันความขัดแย้งส่วนใหญ่จึงอยู่ที่อภิชาับโทมนั้นพูดง่ายว่าเป็นเรื่องของความยินดีกับความยินร้ายดังกล่าวเพราะการที่ทรงยกเอาขานทั้งห้าประการขึ้นมาสอนนั้นหรือสังเกตว่าเป็นการสอนโดยในยะหนึ่งเทบุคคลมองขันห้า ที่ปรากฏในแต่ละขณะของการเกิดขึ้นของขันห้าแต่ละขันของความดับไปของขันห้าแต่ละขันเพื่ออะไรเพื่อจะให้ถึงความจริงที่แท้จริงของขันทั้งห้าประการเหล่านั้นเพราะก็จริงแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งไม่มีอะไรเป็นของเราจริง ไม่มีความเป็นเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆแต่ไม่มีแม้แต่ความเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่จริงๆที่เป็นกันอยู่ที่มีกันอยู่ที่ได้กันอยู่เป็นเพียงการสมมติปัญญตัตในระดับหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมมติสัจจะคือความจริงเป็นชั้นที่สมมติกัน ทำนองกัการแสดงหนังการแสดงละครหรือการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันของบุคคลคุณสังเกตว่าในแต่ละวันนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆสักอย่างสถานะของเราถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปตามจุดที่เราเข้าไปสัมผัสตามบุคคลตามเหตุการณ์ตามการงานที่เราเข้าไ ป, ไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ เื่นเช้าขึ้นมาอาจจะเป็นคนอาบน้ําอาจจะเป็นคนแต่งตัวอาจจะเป็นคนรับประทานอาหารอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอยู่ภายในบ้านเป็นคนขับรถเป็นคนโดยสารรถหรือคนบ่ายพระสุดมนต์เป็นคนสมาทานศีล็นคนฟังธรรมเป็นคนแสดงธรรมโภชนาทเพียงระยะไม่กี่โมงไม่กี่ชั่วโมงมันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก ในประการศึกษาในสองช่วงถึงเราจะพบผลหลักของพระพุทธศาสนานั้นจะยอมรับความจริงทั้งสองช่วงตนไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความจริงทั้งสองประการดอกนั้นคือไม่คิดที่จะเป็นอะไรอยู่ตลอดไปเพราะจริงๆเราก็เป็นไม่ตลอดแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงที่แท้จริงซึ่งอาจจะปรากฏขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ จะในขณะที่เป็นอยู่ความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะบังเกิดขึ้นท่นพวกขันทั้งห้านั้นจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาภูมิคือเป็นภูมิหรือเป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐานที่จริงก็ทรงจำแนแ ก, กแยกแยกขันห้าออกไป เป็นขันหเป็นอายตนา12เป็นธาตุสเป็นอินทรีย์2เป็นอริยสัจส์่เป็นปฏิจจสมุปาต์่ะไรแต่อย่างก็แยกไปจากขันห้คณะจึงกลายเป็นที่รวมลงคือรวมให้เหลือนามารูปก็ได้แล้วกระจายออกไปเป็นธรรมะแปดปืนพันพระธรรมขันธ์ก็ได้ ในกลายเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานก็อยู่ที่การห้า น, นั่นเองในการมองในแ น, น, แนวของวิปัสสนากรรมฐานเป็นเช่นเดียวกับการมองที่ทรงสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานแต่เพสังเกตว่าในสติปัฏฐานนั้นมองที่มันปรากฏ เช่นว่ารูปปรากฏเวทนาปรากฏสัญญาปรากฏสังการปรากฏปัญญาปรากฏล้วก็ดูไปเรื่อยๆให้จิตสงบอยู่ที่ขันนั้นๆ น, นจึงใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาในขณะนั้นและในขณะที่เพ่งมองอยู่นั้นคล้ายๆกับส่องดูสิ่งต่างๆด้วยร่ อ, รองจุลทละทัด บุคคลก็จะมองเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดสิ่งเดียดนั้นมันเป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติของมันก็ เ, เป็นก็ขออย่างนี้เองตั้งแต่เขามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในโลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมจิตจิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นธรรมนิยามคืออยู่ในเงื่อนไขอยู่ในกฎเกณฑ์ของ ธรรมชาติฉะนนอุตุนิยามอยู่ในเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของฤดูยกตัวอย่างว่าน้ำแข็งซึ่งก่อตัวขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยให้มีการก่อตัวขึ้นมาได้แต่ในสุดก็จะละลายไปแร็วการละลายเร็วด้วยละลายช้าละลายน้นละลายแน่แต่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับอุตุคือบรรยากาศรอบข้าง วางน้ำแข็งเหล่านั้นตลอดถึงตัวการก่อตัวการจับแน่นของน้ำแข็งเหล่านั้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเขาต้องละลายเพียงแต่ว่ามีช่วงช้าช่วงเร็วอยู่บ้างแต่นั้นเองแต่นั้นจึงทรงสอนในรูปของ วิปัสนาโดยโยกเอาขันห้าก็ได้คนหนึ่งก็ได้แต่บางครั้งเราดูไม่ชัดเพราะว่าใจมันเกี่ยวเกาะอยู่มากเกินเราอาจจะมองเห็นคนอื่นตายสัตว์ตา ย, ส, ตายสิ่งของทั้งหลายตายแต่พอมองให้เราตายด้วยเราไม่ยอมมองให้เราแก่ด้วยเราไม่ยอมมองเราเจ็บด้วยเราไม่ยอมใจมันจะปฏิเสธอยู่เรื่อย บางครั้งจึงส่งสอนออกไปนอกตัวเพงสังเกตในกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่ส่งสอนภายในตัวเราเองมาเรื่อยๆแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ยอมจะให้เขาแยกผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่ยในกระดูกม้าหมหัวใจตับปังผื้ดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อัหารเก่ า, ย า, าแยกมาอย่างนั้นเขาไม่เอา อยากจะให้เกอะกลุ่มอยู่สวยๆงามๆภาสาป ร, ประดาประดาตกแต่งกันวันมองตรงนี้ไม่ได้ก็ไปมองสักศพ <c oughs> ก็ทรงสอนในรูปป่า ช, ช้าทั้งก้าประกาศอที่ได้ศึกษามาแล้วเพราะการมองขันห้าในแง่ของใจรักก็เป็นเช่นนั้นบันทีใจไม่ยอมคือจะมองนอกก็ตามแต่น้อมข้ามาภายใน หรือมองภายในมองก็ไปภายนอกมันจะอยู่สูตรเดียวกันทั้งหมดก็นี้พึงสังเกตว่าแม้แต่ในเรื่องป h a r m ต่ปะธรรมคือธรรมะที่ต้องละหรือพระเวตวปาปัฏฐำมธรรมะที่จะต้องบำเพ็ญก็มองกลับไปกลับมาเหมือนกันเช่นธรรมะที่ต้องละยกตัวอย่างกุศลเจตนาที่จะให้บังเกิดศีลข้อที่หนึ่งคิดมามันก็มองจากเราไป ว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ันใดไม่ต้องการให้คนอื่นเบียดเบียนประทุษร้ายเข่นฆ่าทำอันตรายแกเราชั้นใดคนอื่นส่วอื่นก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเช่นนั้นเรียนจากเราเองเป็นฐานพยายามเข้าใจเราว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนไม่ต้องการให้ใครทำอันตรายแล้วกระจายไปถึงญาติพี่น้องวงาาศาคณะญาติก็พวก ป, วกปืนฝูงเรื่อยๆไป พอมีกำลังใจมากพอที่จะเข้าใจคนอื่นได้มันก็มองไปที่คนอื่นพะ แ, แม้คนอื่นก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วกระจายไปสู่สัตว์สู่สัตว์ทั้งหลายในจิตทั้งหลายก็ว่ากันไปเรื่อยๆคือกระจายไปเรื่อยๆเป็นการกค่อยๆปรับจิตไปนี่แสดงว่าแนวป harma จะประทก็มองกลับไปกลับมาเหมือนกัน พอถึงแนวพาเวตปาธรรมคือธรรมะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นเราจริญ เ, เมตตาซึ่งตรงกันข้ามกัีนข้อที่หก็ฐานความคิดมันก็อยู่ที่เร า, าเรานั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ชันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันชั้นนั้นแล้วตั้งจิตปรารถนาที่จะให้ตนเอง ดำรงชีวิตยอยู่โดยไม่มีภวเวนไม่มีภัย ไ, ไม่เบียดเบีย น, น, นกันไม่ประทุสลายกันให้อยู่ดีมีสุขตลอดไปแม้ต้องการพรปรารถนาพรก็เรียกร้องหาพรในลักษณะนั้นพอกรับความรู้สึกเหล่านี้เข้ามาที่ใจได้มันก็มองไปที่คนอื่นโดยเอาตัวเองเป็นฐานในการเรียนรู้ในการเข้าใจคนอื่นแล้วตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็น คนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เปลี่ยนแปลงกันเป็นปัุสลายกั น, ยกนอยู่ดีมีสุขตามสมควรคาถาน่าของเขาเช่นเดียวกันพอมาถึงกลุ่มของทุกสัตริย์คือกลุ่มกองขันห้าก็จะมีลักษณะอย่างนั้นปนัญหาต้องการว่าจะเรียนจากเราหรือจะเรียนจากข้างนอกมาก่อนอารมณ์กับกรรมฐานนั้นมีทั้งสองอารมณ์เรียนจากข้างนอกก่อนก็ได้ เรีจากข้างในก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นั้นจะมุ่งเรียนที่ข้างในเรียนจากตัวเราเองเพราะว่าดูง่ายเข้าใจง่ายและเห็นได้ง่ายดังนั้ในกรณีนี้ก็ทรงสอนได้มองรูปว่าตกอยู่ในกฎของทุกขกตาหรือความเป็นทุกข ทำไมาจึงเป็นทุกข์เพราะว่ารูปนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยให้บังเกิดขึ้นเดิมทีเดียวรูปนี้ไม่มีเลยทำไปแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยเกาะกลุ่มกันเข้ามีเงื่อนไขต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆเกิดขึ้นสนับสนุนความปรากฏของรูป ก, ก็เกิดขึ้น และรูปเป็นอันมากที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะอะไรเพราะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนมีไม่มากพอที่จะ ร, รูปรูปเหล่านั้นอยู่ยั่งยืนยงมาแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังดำรงอยู่รูปเขาก็ดำรงอยู่ซึ่งอาจจะมองที่ตนเองหรือมองที่คนอื่น ต่มองที่คนอื่นแล้วตามปกติก็จะมองคนที่ตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปพิจารณาที่คนอื่นนั้นคนอื่นมักจะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดกับความขัดเคืองเกิดไปมองคนุสวยหล่อๆเข้ามันก็มีปัญหาแต่ที่จะพิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มปนความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเกิดราคาเกิดมาได้ เรา จ, จะมองรูปร่างของคนซึ่งปกติแต่พอดีเป็นศัตรูกันจะพิจารณาให้เห็นในแง่ของใจรักเพราะเห็นได้ยากราะส่วนใหญ่แล้วก็จะสอนให้หมองที่ตัวเองแต่อาจจะมองที่ตัวเองไม่ชัดก็าอาจจะมองจากอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูป อาจจะมองที่ใบไม้ที่กระแสน้ำที่พยับแดดที่เมฆหมอกที่ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆก็ได้ประพวกนี้เขาก็เป็นรูปเหมือนกันจาไิ้ทรงสอนอุ ป, ปมาถึงมาดูได้ง่ายแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่พอให้ดูรูปนั้นเหมือนกับฟองน้ำชีวิตของบุคคลสมัยก่อนนั้นสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมะ กับธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านยกขึ้นมาที่จริงมันเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยของท่านประท่านจะมักจะหลีกเร้นมากจะสงบอยู่ตามโคนไม้ตามน้ําตกตามแอ่งน้ําอะไรต่างๆหลองน้ําที่จะเป็นครูมันก็มีอยู่มากคึก s c i e n ว่าคลองน้ําที่จริงมันไม่มีเริ่มมาจากไม่มีมีปัจจัยมากระทบกันขึ้นเขาก็มี มีก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นอยู่ก็ตามเหตุปัจจัยของเขาแล้วเอาก็จริงแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พอเริ่มมีแล้วเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาในสุดก็ดับเงื่อนไขปัจจัยเกิดเขาก็เกิดเดี๋ยแล้วก็กระดับซึ่งที่จริงก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับที่ส่งสอนไว้ในตอนต้นเพียงแต่ว่าในที่นี้จะดูให้มัน เห็นอย่างต่อเนื่องจริงๆจนสามารถถ่ายถอนตัณหามาณทิชิ์ลงไปตัณหาก็ไม่รู้จะคว้ากันทําอะไรนักหนาคว้าไปคว้ามาเราไม่ได้เป็นเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นถึงแม้จะคว้าก็จะทุกข์กบคุมตัณหาเอาไว้ไม่ถึงกับคว้า ด้วยอำนาจของความโลภจัดด้วยความหลงจัดจนถึงไปทำชั่วทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพื่อได้ป่าทึกงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจหรือแม่แต่ความเป็นเรามันก็เหมือนกับฟองน้ำเป็นได้นานบ้างไม่นานบ้างอาจจะดูข่าวคราวขราชการทั้งหลาย ปีที่แล้วเป็นอย่างนะทางน่าจะสูงปีนี้ก็โดนย้ายไปประจำตรงนั้นตรงนี้บางทีก็ออกราชการไปก็เห็นเป็นความไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้มีความแปรผันกันอยู่ในเรื่องตอนนั้นเพราะความเป็นที่เราเข้าใจว่าเราเป็นในชั้นสมมตนะิเราฟังได้ แต่ว่าใจคนจะต้องเตรียมไว้ทั้งสองด้านคือสมมติก็เป็นให้ได้เป็นใหดีเป็นให้เป็นแต่ช่างความจริงที่แท้จริงก็ต้องเตรียมรับเอาไว้เพราะมันต้องเกิดแน่แล้วเมื่อถึงวันนั้นโอกาสนั้นมาถึงก็ปรุงใจได้หรือทําใจได้ทุดเวทนาที่ปรากฏเราจะเห็นว่าเวทนานั้นดูง่ายเพราะว่า นั่งนานหน่อยมันก็ปรากฏเวทนาแล้วเห็นได้ชัดเจนบางครั้งเสียดแทงแรงบางครั้งก็สบายดีเรอาจจะดูสุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้ก็เห็นว่าทั้งสองเวทนานั้นที่จริงแล้วแกก็เกิดไปจากเหตุปัจจัย จะมีช่วงของการดำรงอยู่แต่เป็นมีความเปลี่ยนแปลงในขณะที่ดำรงอยู่เราอาจจะรู้สึกเป็นเน็บอาจจะรู้สึกปวดบ้าอาจจะรู้สึกประจางลงอาจจะรู้สึกเปลาลงอยู่ถึงจุดหนึ่งมันอาจจะช้าหมดตั้งแต่สเสเยลลงไปตั้งปลายเท้าเลยําไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสึกต่อไป